ว่าเป็นกัลยาณมิตรร่วมกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเราควรจะมีวิถีชีวิตที่ไปในทางเดียวกันคือพากันเดินไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตของเราเนี่ยมันคือที่ไหนกันต้องเข้าใจนะ ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาทำไมสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้นั้นมคืออะไรถ้าเราตอบตัวเราไม่ได้เนี่ยเราจะเกิดมาแบบงมงายใช้ชีวิตวันวันหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไรดังที่ท่านอาจารย์พุทธธาตุท่านเคยเล่านิทานสามสิบวินาทีเอาไว้สั้นไปยินท่านมาเล่าต่อหน่อยท่านบอกว่า มีชายคนหนึ่งควบ ม, มาไปเรื่อยๆผ่านหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้ <c oughs> ก็มีคนถามว่าจะไปไหนกัน <c oughs> ชายนั้นก็ตอบว่ากูไม่รู้เว้ยแล้วแต่ม้ามันจะพาไปเว้ย <c oughs> อันนั้นไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางปล่อยให้ม้าพาไปม้ามันก็พาไปสิ่งที่ม้าชอบนะไม่ยังกับอะไรคนตามบอด ให้สุนัขพานำหนา้าชีวิตฉันมีแต่หมานำหมามันก็พาไปที่หมาชอบมันคนเราก็เหมือนกันท่านเคยยกอุปมาไว้ว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเนี่ยมอนยังกับกระบือบอดที่อยู่ในถ้ำกลางป่าอันตรายรอบตัวขนาดไหนเพราะเราควรจะสร้างบ้าน เป้าหมายชีวิตหรือจุดหมายนั้นหมายถึงอะไรชีวิตเรามีกายกับจิตจุดหมายปลายทางของร่างกายนั้นเชิงตะกรร่างกายไปสู่ในความแตกดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นส่งที่เชิงตะกรเผากลับคืนสู่สภาพเดิมแต่จิตใจไม่ใช่อย่างนั้นนะเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางของจิตใจคือ ความพ้นทุกตรงไหมตรงอัไที่คิดไมไหมความพ้นทุกไอเรื่องความสุขนั้นก็ถูกอยู่แต่มันต้องพ้้ทุกข์ซะก่อนมันถึงจะมีความสุขจุดหมายปลายทางของจิตใจคือความพ้นทุกขในภาษาธรรมะเรียกว่านิพพานซึ่งเราสามารถทำได้ก่อนเลยร่างกายนี่ต้องรอจนกระทั่งเขาต้องแตกสลายไป อีกร้อยปีหรืออะไรก็ตามนานแต่จิตใจนี่จะถึงเป้าหมายได้เดี๋ยวนี้ก็ถึงได้ที่ไหนมีความพ้นทุกข์ที่นั่นจิตใจเราก็ถึงแล้วขณะนี้ถ้าใจเราสบายๆฟังธรรมะสบายๆอยู่เราไม่มีทุกข์อันนี้ก็ถึงเป้าหมายแล้วแต่ยังไม่ถาวรท่านั้นเองยังไม่ถาวรท่านั้นเองนี่แหะชีวิตของเราเนี่ยมีกายกับจิตที่มันยุ่งยากอยู่ทุกวันเนี่ย เราต้องแก้ปัญหาร่างกายแก้ปัญหาจิตใจยังไม่พอนะเรายังแก้ปัญหาสังคมแก่ข้างนอกอกีกนี่แหละคือสิ่งที่ยุ่งยากสลหรับชีวิตของเราซึ่งสร้างปัญหากับวงการแพทย์มากมายนี่ผมไม่ได้เป็นแพทย์พูดในฐานะผู้พิการเดี๋ยนี้วงการแพทย์นี่เขามีวิธีการรักษาแบบใหม่เขาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกเคยไดีไหม โอ้ได้ยินมาก่อนผมนแพทย์ทางเลือกเคยได้ไปร่วมรายการกับท่านแพทย์ทางเลือกนี่เขาจะไม่รักษาเฉพาะร่างกายอย่างเดียวหรอกเขารักษาท้า น, านจิตใจด้วยคือการใช้สมาธิบำบัดท่า น, านจิตใจ ห, หรือสติบำบัดก็ได้เพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นที่ร่างกายเราโรคบางชนิดนะ แต่ค้นพบว่าสาเหตุมาจากสภาพจิตใจเพราะจิตใจเครียดมีความวิตกกังวลจึงส่งผลให้กับร่างกายมีปัญหาเช<ม>่นเป็นโรคไมเกรน <Gren> เนี่ยไมเกรนเนี่ยเกิดจากจิตใจมันเครียดโรคมะเร็งอันนี้สาเหตุหนึ่งคือความเครียดท้านาจิตใจก่อสารมะเร็งในร่างกายโรคหัวใจโรคความดันเลตุสูง โรคกระเพาะอาหารอีกหลายโรคที่มีสมุทฐานมาจากจิตใจมันเครียดซึ่งรักษาทางร่างกายอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอพอรักษาจิตใจแล้วเนี่ยร่างกายกลับหายก็ได้โรคบางอย่างคุณหมอหาสาเหตุไม่พบหาสาเหตุไม่พบแต่คนไข้ไปปฏิบัติธรรมไปฝึกจิตฝึกใจโรคมันหายได้แม้ว่าเราจะฝึกจิตแล้วเนี่ยถ้าร่างกายไม่หายจากโรคภยัยแค่เจ็บ แต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์นะใจจะไม่เป็นทุกข์เลยแม้ว่าโรคมันจะไม่หายอย่างเช่นว่าโรคบางชนิดที่เกิดกับร่างกายเราเนี่ยจะต้องตายภายในไม่ช้าหรือซ้ําไปคือร่างกายนี้หมดหวังแล้วแต่พอมาฝึกจิตจิต ด, ดีตายไปก็จิตดีแต่ร่างกายไม่หายนะแต่จิตยงังมีหวังที่จะมีความสุขได้อย่างสภาพที่พิการอย่างเงี้ยร่างกายเนี่ยมันหมดหวังแล้ว คุณหมอบอกว่าต้องพิการไปตลอดชีวิตเห็นไหมโอร่างกายเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยแต่ว่าอีกหน่วยหนึ่งของจิตใจคือเอามาฝึกเอาจิตใจมาฝึกสติึกสมานิทแม้ร่างกายจะไม่หายอย่างพิการอยู่ก็ตามแต่ใจมันก็จะมีความสุขได้เพราะฉะนั้นการแสวงหาความสุขเนี่ยทางร่างกายเรามักจะผิดหวังแต่หาที่จิตใจเนี่ยมันง่ายมีโอกาสที่จะพบกับความสุขทแท้จริงได้ ทำไมชีวิตเราจึงไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราแสวงหาความสุขบางทีมันยังไม่ค่อยถูกต้องแสวงหาความสุขในสภาพจิตใจยังเป็นทุกข์อยู่แสวงหาความสุขสภาพจิตใจยังมีทุกข์อยู่คือหาความสุขมากเปลี่ยนความทุกข์ในใจเรามันก็สุขสุขทุกทุกอยู่เงี้ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สุขเพราะได้ดูได้ฟังแต่ทุกข์เพราะใจเราเนี่ย มันยังไม่ป ก, กติใช่มเอามากลบเกลือนร้อนร้นหนาวหสุกทุกๆอย่างเหมือนคนที่จะใส่ชุดเสื้อผ้าใหม่แต่ยังไม่ได้อาบน้ำมันก็คันตรงนูน้นคันตรงนี้ร่างกายไม่สะอาดแต่ว่าไปสวมเสื้อผ้าที่ซักสะอาดมันก็คันอยู่ข้างในข้างนอกก็แลดูดีอยู่หรอกข้างนอกแลดูดีนะ แต่ว่าคนใส่นี่โอ้ข้างในมันคันเลยอเกินเปนเพราะว่าจิตใจเรายังไม่สงบยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็ไปแก้ความทุกข์โดยการไปกลบเกลือนไปหาความสุขนะบางครัสุขได้ไม่เต็มร้อยเมืันยังกับเราคันและเราก็เกาเราไม่เคยรักษาโรคคันเลยเราจะได้ไม่ต้องไปเกาการจะแสวงหาความสุขก็เช่นเดียวกันเราลองดับทุกข์ในใจเราให้ได้ ให้ความตุ้มในใจเราลดน้อยลงสักหน่อยแล้วไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนแร้วพอทุกข์มันหมดลงไปเนี่ยความสุขก็มาแทนที่ใช่ไหมทําแค่หนึ่งเดียวคือลดระดับของความทุ้มในใจออกเท่านั้นสุขก็จะเกิดขึ้นและเป็นสุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขเทียมด้วยความสุขที่เกิดจากจิตที่ไม่มีทุกข์เนี่ยอันเนี้ยเป็นความสุขที่ถาวรมากความสุขสูงสุดในชีวิตคือความสุขที่ จิตไม่มีกิเลส <c oughs> กิเลสนี่ไม่ได้มีทั้งวันทั้งคืนนะมันมีเป็นบางครั้งบางคราวบางช่วงจิตแล้วก็สบายสบายอยู่อัน น, นพาะกิเลสมันไม่ปรุงใช่ ไ, ไหมมันก็ไปสุขอยู่ขณะหนึ่ง <c oughs> แต่พอเราเพลิดสติปล่อยให้กิเลสปรุงในจิตใจอันนี้แหละมันก็ไม่ไม่มีความสุขแล้วเริ่มดิ้นรนกระวนกระวายในจิตใจแล้วเพราะฉะนั้นสาเหตุสำคัญ ของการที่จะมีความสุขนั้นต้องระวังเรื่องความคิดระวังเรื่องความคิดได้ดีเวลามีอารมณ์มากระทบท่างตาทั้งหูทั้งจมูก เ, เดี๋ยวมันก็จะปรุงแต่งที่จิตใจต้องระวังใจเราให้ดีเนี่ยให้รู้ทันในความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันสร้างปัญหากับตัวเราพูดถึงความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะที่มันจอนมาสู่จิตเป็นครั้งคราวส่วนความคิดที่เราตั้งใจคิด อันนี้ไม่มีปัญหามันคิดแล้วมันจบได้เร็วมันจบได้ไวแต่ความคิดที่มันจอนมาเป็นครงคราวเนี่ยมันขยันคิดมันจบยากมันคิดแบบอะไรมันวกวนเวียนเรื่องเดียวคิดอยู่นั่นแล้วข้ามคืนข้ามวันเพราะเราไม่สามารถที่จะขจัดความคิดเหล่านั้นได้เราไปติดความคิดติดอารมณ์นอนไม่หลับเพราะความคิดประเภทนี้ วกวนเวียนหมกมุ่นทำอย่างไรเจ้าจิตออกจากความคิดนั้นได้คิดเอามันก็ไม่ออกนะยิ่งคิดเอาออกมันยิ่งติดใช่ไหะเนี่ยตัวเนี้ยตัวสาเหตุของความทุกข์ในจิตใจเราโรคจิตโรคประสาทเกิดจากความคิดเปรีไม่ได้ตั้งใจคิดที่จอนมาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นทำให้จิตไม่มีความสุขสุขภาพจิตเสียนอนไม่หลับอันนี้คือสาคัญ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยใจเราเนี่ยไม่ได้คิดอยู่ก่อนเอาถึงสภาพที่เป็นจริงของใจเราเลยใจเราเป็นปกติว่างจากความคิดอยู่ก่อนมีไหมก่อนจะคิดเนี่ยมันต้องว่างอยู่ก่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวพอเราเผลอสักพักหนึ่งเดี๋ยวความคิดเข้ามาปรุงนะปรุงที่จิตใจแล้วก็จะผ่านออกไปไม่ใช่กับห้องห้องนี้ยก่อนที่เราจะมาใช้ห้องนี้ ห้องนี้มันว่างอยู่ก่อนแต่พวกญาติธรรมนี่ก็คือพวกที่เป็นแขกจอนมาสู่ห้องนี้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ออกไปแล้วอยู่ได้ไม่นานในห้องก็ว่างเหมือนเดิมใจเราก็เช่นเดียวกันปกติเขาว่างอยู่ก่อนพอเกิดความคิดปรุงแต่งเดี๋ยวความคิดปรุงแต่งก็หายไปแต่เราไม่มีสติคอยควบคุมใจไม่ได้รักษาใจให้เป็นปกติใจลึงต้องเป็นทุกข์เรามาอยู่ห้องนี้ เราไม่ต้องทำอะไรมากรักษาความสงบไม่พูดไม่คุยห้องนี้ก็สงบเราไม่ทำสิ่งสปกปรกไม่ทิ้งของลงบพื้นห้องนี้ก็สะอาดใจเราก็เช่นเดียวกันมีสติรักษาความสงบเข้าไว้ง่ายๆเนี่ยรักษาใจเป็นปกติไว้อันนี้จิตจะมีความสุขจะสบายเลยเพราะฉะนั้น ชีวิตแต่ละวันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากงานข้างนอกก็ทำไปตามหน้าที่ออกกำลังกายทำไปตามหน้าที่สวนร่างกายน ะ, ะจะทานอาหารห ส, สุขลักษณะการออกกำลังกายการพักผ่อนทำหน้าที่ข้างนอกส่วนร่างกายทำไปเถอะแต่ลืมหน้าที่ทางด้า น, ในใจิตใจหน้าที่ทางใจคือมีสติรักษาใจเป็นปกติเขาไว้ทำที่ไหนก็ได้ทากับงานก็ได้ อยู่บ้านก็ทําได้อยู่ที่นี่ก็ทําได้เดี๋ยวนี้ก็ทําได้รักษาใจเป็นปกติไม่ต้องไปที่วัดเอาที่เรเบอนลฟาร์มวาลาลามนี่แหละทําเป็นวัดจิตวัดใจเราเลยใช่ไม่มทําได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องมีสติรักษาใจควบคุมใจเป็นปกติไว้ความคิดไม่ต้องไปห้ามอารมณ์ต่างๆไม่ต้องไปห้ามให้เขาเกิดขึ้นตามปกติ แต่เราคอยมีสติให้รู้เท่าทันในความคิดรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็รักษาใจเป็นปกติแค่นี้จิตมันก็สดใสมีความสุขสงบสบายผูดแล้สั้นๆง่ายๆสังกันที่ว่าเราต้องฝึกสติ <c oughs> เนี่ยประเด็นสังกันคือต้องฝึกสติสติทำหน้าที่รักษาใจเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนของชีวิตเลยคือสติเนี่ยทีนี้วิธีการฝึกสติเนี่ยมีหลายวิธีหลายแบบ อันนี้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นวิธีใดก็ตามเนี่ยต้องเริ่มต้นในการฝึกสติแต่ว่าอุบายนะั้นอาจจะต่างกันถ้าการปฏิบัติธรรมแบบไหนไม่มีการฝึกสติแล้วก็อันนั้นจุดหมายปลายทางเนี่ยพ้นทุกข์ไม่ได้ในสติก็มีสมาธิอยู่ด้วยใครเคยฝึกสมาธิบ้างอ่ามีมมีสติหม มันต้องมีสติก่อนที่จะสมาธิจะเกิดในสติมีความสงบอยู่นั้นแล้วในสติมีปัญญามีความสุขเราจะเห็นว่าวิธีการปฏิบัติที่สำคัญสาคัญนั้นก็ต้องลงท้ายด้วยสติทั้งนั้นกายขะตาสติสติตามรู้ในกายอนูตสติสิปเนี่ยเราลึกถึงสติอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ อาณาปานาสติสติปฐานสี่สติตามรู้กายเวทนาจิตธรรมหรือรู้กายรู้ใจอาณาปานาสติคือสติตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็น ไ, ไหมการปฏิบัติธรรมมูยิ่งใต้องมีสติทั้งนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้คืออุบายอุบายที่ทําให้เราได้เกิดสติแล้วแต่จริตของบุคคลแต่ผู้สุดท้าย วิธีใดก็ตามเนี่ยแล้วก็ต้องปล่อยวางตังนั้นนะยึดติดไม่ได้อาศัยแค่ฝึกปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจแต่พอถึงที่สุดแล้วต้องวางผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดติดในวิธีการปฏิบัติและก็ครูบาอาจารย์ด้วยไมื่ยังกับเราพายเรือข้ามฟากไปแล้วพอขึ้นฝั่งแล้วเราจะแบกเรือขึ้นไปด้วยไม่ได้เอาเรือไว้ในแม่นม้ำปลาตัวเปล่าการปฏิบัติวิธีใดก็เหมือนกันคนซ้ายต้องปล่อยวาง อาศัยแค่เอามาฝึกเท่านั้นอย่างวันเนี้ยก็อยากจะนําเอาวิธีการจริ้สติวิธีหนึ่งซึ่งตามแนวหลวงพ่อเทียนท่านได้สร้างวิธีการปฏิบัติเจริ้สติขึ้นมาเป็นการเจริ้สติแบบเคลื่อนไหวใครเคยปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนบ้างยกมือดิครับโอ้หลายคนแล้วใครที่เคยได้ยินแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติ วิธีการเจริตรีแนวหลงว่ตเทียนแบบเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้รับฟังไว้ก่อนหน้าคนที่ไม่เคยฟังเอาไว้อย่าด่วนรับอย่าด่วนปฏิเสธต้องลงมือปฏิบัติทดลองดูก่อนเขาเรียกว่าเป็นสถิติโกเพราะทำเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเอาตัวเองพิสูจน์ดูก่อนอย่าเพึ่งปฏิเสธอย่าพิ่งรับอาจจะไม่ถูกจริตกับเราก็ได้แต่มันต้องลองดูก่อน <laughs> วิธีการปฏิบัติแนวเนี่ยมันง่าย ที่ง่ายเพราะว่าไม่ต้องหลับตาการหลับตาเนี่ยทำให้เกิดภาพนิมิตคนที่ปฏิบัติแล้วเกิดโรคจิตโรคประสาทเพราะหลับตาแล้วก็ขาดสติพอเกิดนิมิตขึ้นมาในใจเนี่ยหลงไปกับ น, นิมิตเลยแต่ว่าการเจริติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มีนิมิตเหมือนกันแต่เป็นนิมิตที่เป็นของจริงคือกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นของจริงใจที่มันคิดมันนึกนี่ก็คือของจริง อันนี้คือนิมิตที่ไม่ต้องสร้างขึ้นมาเป็นนิมิตจริงๆเลยคนที่เจรรติแบบเคลื่อนไหวในหลวงพระ theon เนี่ ย, ม ย, นนยไม่เคยถูกนิมิตหลอกแล้วก็สําคัญตรงคือไม่ต้องใช้คําบริกรรมไม่ต้องใช้คําบริกรรมคือรู้ลงไปตรงๆงั้นนะรู้สึกตัวไปตรงๆคําบริกรรมก็มีส่วนช่วยทําให้เราเกิดสติบริกรรมพร่อยมันเกิดสติแต่พอเราฝึกสติเนี่ยเราลัดเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวเลยโดยที่ไม่ต้องบริกรรม วิธีรัดก็ามาหาเลยแล้วก็ทําไปทั้งวันเพราะชีวิตเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ทั้งวันเวลาหลับก็เคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวแม่เวลาหลับอย่างน้อยลมหายใจเห็นไหมหายใจเคลื่อนไหวความคิดก็เคลื่อนไหวแต่เวลาหลับเราไม่ต้องทําเราไม่ต้องทําทําเฉพาะเวลาที่เรารู้ตัวเวลาตื่นรู้ะเราการเคลื่อนไหวในมีตลอดเวลาสามารถที่จะเติมสติได้ดูจิตได้ทั้งวัน วิธีการปฏิบัตินั้นให้เริ่มจากดูกายรู้ตัวไปการเคลื่อนไหวรู้ตัวกับเคลื่อนไหวของกายให้สติมันชํานาญที่กายซะก่อนพอสติชํานาญที่กายแล้วเนี่ยจะไปเห็นจิตเห็นความคิดเห็นกิเลสอารมณ์ต่างๆไปเองให้เริ่มต้นที่กายถ้าเราไปเริ่มไปรู้ที่จิตเนี่ยเราจะหลงได้ง่ายๆคนที่จะรู้จิตได้นั้นจะต้องมีสติต้องมีต้องมีความชํานาญ ต้องรู้จักจิตรู้จักสติรู้จักอารมณ์รู้จักแก้อารมณ์จึงจะไปดูจิตรู้จิตได้ถ้าเริ่มต้นรู้กายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเห็นจิตอ่ะเดี๋ยวลองสังหน่อยนะไหนไหนมาแล้วต้องพิสูจน์เลยเดี๋ยวหาว่าผมเอาสินค้ามาขายโฆษณาอ่าลองนั่งในท่าสบายๆขอโทษนะผมนี่นิ้วมือมันเหยียดไม่ได้ยกมือไหว้ก็ไม่ได้ขอโทษที ทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยดูมันจะไม่งามจะแหวกแนวของครูบาอาจารย์ไปครูบาอาจารย์เนนิ้วเห ย, ยียดผมนี่นิ้วงอ <c oughs> เอามือวางไว้ที่ขาทั้งสองข้างสบายๆเวลาปฏิบัติไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรเวทีสบายๆต้องทําำใจให้สบายๆไม่ใช่เวทีเครียดหรืสบา ย, บายไม่ต้องหลับตานะไม่ต้องใช้ความคิดอะไรนั่งหลังตรงสักหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่เมื่อย ไม่ต้องตั้งท่าอะไรมากมายขอแค่เพียงแค่รู้สึกตัวไม่ต้องหลับตาเอามือขวาไปข้างเดียวก่อนนะลองพลิกมือขวาช้าๆตั้งขึ้นช้าๆนะคว่มมือขวาลงช้าๆให้รู้สึกตัวพลิกมือขวาในท่าตะแคงช้าๆทาช้าๆคว่มมือขวาลงช้าๆเอาลองทําไปเรื่อยๆสิ ทำช้าๆสบายๆอย่ากเกรงให้ผ่อนคลายมีสติรู้ลงไปที่มือกำลังเคลื่อนรู้ที่ความรู้สึกมันตึงๆไหวๆเกรง ๆ, ๆอยู่ที่มือทำช้าๆความมือช้าๆแล้วก็หงายมือช้าๆเจตนาเคลื่อนไวหวสักหน่อย แล้วก็เจตนารู้ลงไปที่ความรู้สึกที่มันตึงๆที่มือกำลังไหวไวหนักๆอยากเกร็งนะรู้เบาๆมันจะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต่อไปมันก็จะชัดเจนไปเองรู้เบาๆใหม่ๆทาช้าๆเจตนาเคลื่อนไหวเจตนารู้สึกเอาละครับขออภยัย ไหนใครไม่รู้สึกมา้ว่ามือกำลังพลิกปลายพลิกมาอย่าไปเกรงนะทำสบายๆทาเล่นๆทำเล่นๆ เ, เ, เ, เนี่ยมันจะรู้จริงๆพยายามมีสติรู้ลงไปที่มือกำลังพลิกทำเล่นๆสบายๆอันนี้คือการเจริญสติผมเองเนี่ยเมื่อตอนที่พิการใหม่ๆเนี่ยผมทำอย่างเนี้ยนอนพลิกมือผมเป็นคนที่คิดมากมีความคิดมากเป็นทุกข์เพราะความคิดนอนไม่หลับ แต่พอพลิกมือเล่นเนี่ยนอนพลิกมือเล่นอย่างเงี้ยนอนพลิกเล่นทั้งวันใจมันก็สบายนะมันไม่ได้คิดอะไรเพราะเจตนารู้ที่มือกําลังเคลื่อนไหวแล้วก็นอนหลับสบายแค่แบบหัดเพียงแค่นี้ยพลิกแค่หงายรู้สึกความรู้สึกเนี่ยสองรู้สึกเท่านั้นแต่ว่าทําต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันฝึกจิตใจเราให้ดีได้ มีทั้งสมาธิมีทั้งปัจจุบันหลับสบายเลยอันนี้เราลองมาทําแบบแนวลวงพ่อเตียนที่แปดสิบสจังหวะดูมันจะมีวิธีการปฏิบัติที่มากสัหน่อยแต่ว่าเราลองฝึกดูนะผิดไม่เป็นไรนะผิดไม่เป็นไรสิบสี่จังหวะขอให้เราเคลื่อนมือเป็นจังหวะนะเคลื่อนเป็นจังหวะมีจังหวะที่หยุดอลองพลิกมือขวาในท่าตะแคง ให้รู้สึกนะยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวให้รู้สึกเอามือขวามาไว้ที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวรู้สึกเวลามือมันเคลื่อนเอามือซ้ายทาไว้ที่มือขวา ใหม่ๆทาช้าๆเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเอามือขวาออกมาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงช้าๆให้รู้สึกคว่ำ ม, มือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออกมาด้านข้าง ลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าทะแคงคว่มมือซ้ายลง อ, อันนี้อ๋อมีข้อตกลงนิดนึงไหนใครยังไม่รู้สึกบ้างเวลามือมันเคลื่อนทีนี้เทคนิคในการปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปเกร็งความเกร็งทำให้เกิดความเครียด <c oughs> คนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทตามโรงพยาบาลเนี่ยไปดูเถอมือไม้นี่เกร็งพราเขาไม่ผ่อนคลาย การปฏิบัติเนี่ยให้ผ่อนคลายทำผิดไม่เป็นไรผิดไม่บาปถ้าผิดรว่วันผิดในสติเกิดแล้วให้รู้แบบเบาๆแบบไม่มีเงื่อนไขมันจะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่ารู้แล้วต้องให้มันชัดต้องให้มันเนีย้ยอันนั้นเป็นการบังคับเกินไปเรารู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนแหละไม่ต้องให้ชัดทำไมไหวเดี๋ยวมันจะชัดเจนเองรู้แบบว่าสดชื่นยิ้มยิ้ม อย่าทำหน้าเคร่งเครียดกลัวจะไม่เหมือนของจริงไงของจริงมันต้องเบิกบานปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่ไปทมเพื่อมันเครียดอย่าไปกลัวจะไม่เหมือนจริงให้แบบสบายๆอย่าไปเปลง่งอย่าไปเครียดไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้จังหวะ น, นี้จังหวะหน้ามีโอกาสรู้ได้ที่สําคัญก็คืออย่าเน้นอย่าเน้นให้มันสงบ มันไม่สงบไม่เป็นไรแต่เรามีความรู้ตัวเนี่ยความสงบเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีที่บรรลุธรรมนะความรู้ตัวต่างหากที่จะบรรลุธรรมความสงบก็เป็นได้แค่ชั้นพรมมีสติรู้ตัวเนี่ยไปถึงนิพพานเลยจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยมันต้องไปอย่างนั้นเกิดั้งมาทั้งทีเนี่ยไปเป็นแค่พรมเนี่ยไม่ดียะไปนิพพานเลยทำไมสบายไม่ต้องเปลง่งไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้ความคิดแค่ความรู้สึก เบาๆเล่นๆนั้นพลิกมือขวาตะแคงรู้สึกนะยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวทำผิดไม่เป็นไรเอามือขวามาไว้ที่สะดือให้รู้ตัวว่ามือมันเคลื่อนรู้ตัวว่ามือมันหยุดพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัว เอามือซ้ายทําไปที่มือขวารู้สึกตัวนะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ hmm. เลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเอามือขวาออกมาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำ ม, มือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออกมาด้านข้าง ลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่า ม, มือซ้ายลงอ่ะลองทำดูซิลองทำเลยทาเลยท้ายเป็นจังหวะมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดทำผิดไม่เป็นไรนะทำผิดเริ่มต้นใหม่เจตนารู้ลงไปที่มือกำลังเคลื่อนไหว ใส่ใจที่จะรู้อยู่ไว้เสมอๆรู้เบาๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเวลามันคิดอะไรขึ้นมาอย่าไปสนใจความคิดนะกลับมารู้ตัวที่การเคลื่อนไหวของมือเคลื่อนไหวก็รู้หยุดก็รู้อย่างลู้สึกตัวอยู่นะให้มีปัจจุบันที่ มือกาลังเคลื่อนไหวสังเกตรู้ในอาการตึงๆไวๆ ไ, ไม่มีความหมายว่าเป็นมือชาหรือเร็วก็ไม่มีความหมายสัปวัหที่รู้ตัวว่ามันกาลังตึงกาลังเคลื่อนกาลังไหวสบายๆรู้แบบสดชื่นมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้รู้ครั้งเดียวจบเรารู้ได้หลายครั้ง มันผิดก็เริ่มต้นใหม่ได้ไม่เป็นไรผิดก็แล้วก็แล้วไปเริ่มต้นใหม่มีปัจจุบันอยู่ที่ ก, การเคลื่อนไหวนะอย่าทรงจิตออกนอกอย่าไปบังคับความคิดอย่าไปห้ามความคิดให้เรารู้แล้วกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายอย่าไปเพ่งจนเกินไปนะสังเกตดูรู้เบาๆรู้เบาเรู้สบายสบายผ่าน เวลามันคิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็สลัดมารู้ที่การเคลื่อนไหวของกายสลัดความคิดออกไปอย่าพึ่งไปตามความคิดเวลามันเกิดความง่วงเราก็รู้ว่ามันง่วงเนี่ยเราได้สติแล้วแล้วกลับมารู้ที่การเคลื่อนไหวของกายจับหลักกายเคลื่อนไหวให้ได้มันจะได้ชำนานอย่าเน้นเอาความสงบอย่างเดียวเอาความรู้ตัวเป็นหลักเดี๋ยวมันก็สงบไปเอง เวลาเราปฏิบัติเนี่ยการจริตแนลวงั่อเทียนเนี่ยไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามอารมณ์จะมีเสียงอะไรก็ไม่เป็นไรมันจะคิดก็ไม่เป็นไรมันจะง่วงก็ไม่เป็นไรทุกอารมณ์ไม่มีการห้ามเราเพียงแต่รู้รู้มันคิดก็รู้มันคิดเราได้แล้วสติได้ปฏิบัติแล้วมันง่วงก็รู้มันง่วงเราก็ได้สติแล้วทุกอย่างปล่อยตามธรรมชาติเลย เราคอยแต่รู้เอาไว้เฉยๆเท่านั้นเราเก็บคะแนนแล้วเก็บคะแนนความรู้ตัวไปแล้วเห็น ไ, ไหมมันสบายมากแล้วยิ่งเราปฏิบัติอย่างเงี้ยเราทําได้ทั้งวันเลยเราทํางานอะไรเราก็รู้ตัวได้สติแล้วขับรถก็ปฏิบัติได้จะอาบน้ําแปลงฟันหวีผมแต่งเนื่องตัวทานข้าวเนี่ยเติมสติได้เลยปฏิบัติทําได้ทั้งวันเลยทําบุญทํากุศลได้ทั้งวันเลย แล้วที่สำคัญก็คือการจราติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันตัดความคิดได้ง่ายเพราะคนสมัยนี้นี่คิดมากคิดมากถ้าเราไปนั่งหลับตาหรือไปทำพิธีดูลมหายใจเนี่ยบางทีมันไม่ทันความคิดอันนี้ไม่ถึงผู้ใหม่นะผู้ที่ชำนาญแล้วเนี่ยก็ดีทำไปเถอะมันจะไม่ทันความคิดถ้ามีการเคลื่อนไหวของอี ล, ล็วโต่างๆเนี่ยสติมันจะเกิดได้ง่ายสติมันจะตื่น แต่พอเราทำเป็นแล้วมีสติชำนาญที่กายแล้วเนี่ยต่อไปเราจะไปดูความคิดดูกิเลสดูอารมณ์ต่างๆก็ได้มันจะเห็นจิตเราได้ง่ายแต่ที่คนปฏิบัติทำไม่ก้าวหน้าเพราะว่าเราทำข้ามขั้นตอนจะไปดูจิตจะไปดูความคิดเนี่ยสติเรายังไม่ค่อยมีเลยเพราะนั้นให้มีสติดูกายชำนาญให้ชำนาญ ใ, ให้สติมันเข้มแข็งตั้งหน่แลวเดี๋ยวความคิดก็จะผ่านไหมเราดูเอง อย่าเพิ่งเน้นเอาความสงบอย่างเดียวพอปฏิบัติธรรมปับบป๊บเลยนึกภาพต้องสงบต้องนิ่งอันนั้นเป็นความคิดอีกเราฝึกสติไปเรื่อยๆที่จะพบกับความสงบที่แท้จริงสงบแบบรู้ตัวไม่สงบแบบนิ่งเงียบเป็นหินทับหญ้าสงบแบบรู้ตัวอันนี้ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะเวลาเล็กเวลาน้อยเนี่ยจะมีประโยชน์มากแล้วนานวันเข้าเนี่ยสติก็จะมากขึ้นมากขึ้น ก่อนเราจะตายเห็นไหมสติเราจะเก็บเกี่ยวได้มากน้อยขนาดไหนทีนี้เวลาเราปฏิบัติขณะนี้นะยกมือสร้างยังหวะเนี่ยหรือเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมก็เหมือนกันเดินจงกรมก็เพียงแต่ว่าเราย้ายจากการรู้ตัวที่มือเคลื่อนไหวมารู้ที่เท้ากระทบพื้นนี่ง่ายยังไเดินจงกรมเนี่ยเท้ากระทบพื้นกระทบพื้นรู้สึกเท้ากระทบพื้นรู้สึกและมันชัดเจนมาก คนที่เวลาปฏิบัติแล้วมันเกิดความง่วงก็อย่าไปเสียใจนะอ๋อง่วงเรื่องธรรมดามีสติรู้ว่ามันง่วงแล้วก็ทำมันเร็วๆสักหน่อยบางทียกมงสูงยกสูงมันแกงง่วงได้ยกเร็วๆเดินจงกลมเดินเร็วๆการปฏิบัติธรรมต้องมีปัจจุบันอยู่ที่ตัวเราอันเนี้ยสำคัญมากปัจจุบันด้วยความรู้ตัว ลืมเรื่องที่บ้านลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมอดีตลืมอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันเอาไว้เท้าก็ทบพื้นให้รู้สึกจบเลยแค่นี้ทบพื้นรู้สึกจบถ้าก็ทบพื้นรู้สึ ก, จ บ, ก, บสกจบไปในตอนๆเก็บเกี่ยวความรู้สึกอย่างเนี้ยบ่อยๆเขา้าจะทำอะไรก็มีความรู้ตัวอยู่กับตัวเราอันนี้ความคิดจะเข้าปรุงแต่งไม่ได้ แม้ความคิดเข้ามาเราก็จะรู้ทันวันนี้มันคิดแล้วรู้ทันในความคิดเคล็ดลับงานปฏิบัติก็คือให้อยู่กับตัวเรเองให้ได้เป็นแบบฝึกที่ยากมากเลยเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองชอบเผลอไปรู้จิตต่างนอกอยู่กับตัวเองให้ได้เนี่ยไม่ไม่อาจจะยากซะหน่อยทําต่อไปมันก็จะเกิดความเคยชินต้องฝึกนะเราเคยชินที่จะไปกับความคิด ตอนนี้ลองฝึกเอาความรู้ตัวก่อ น, นรู้รู้ตัวในความคิดก่อนเราอย่าเพิ่งตามความคิดนี่อันนี้เป็นการฝืนเท่ากับฝืนกิเลสไปในตัวแต่เราไม่ห้ามเราไม่ห้ามพยายามมีปัจจุบันกับตัวเรานา น, า น, านเนี่ยเราจะรู้ทันในความคิดรู้ทันในการปรุงแตง่งตอนนี้เราก็จะนอนหลับสบายเวลาเราน อ, นอนไม่หลับเนี่ยมันก็ดีเราได้ฝึกสติเลนอนพลิกมือเล่นกันนอนพลิกมือเล่น มีใครนอนไม่หลับไหมไม่เป็นไรนะวิธีการนอนไม่หลับเนี่ยมีหลายอย่างมาเที่มือวางไว้ตรงเนี้ยเนี่ยหลับตาก็ได้ไม่หลับก็ได้เคาะเนี่ยเคาะแล้วก็รู้สึกที่มือกําลังกระทบเนี่ยรู้เบาๆสบายๆเดี๋ยวมันก็หลับเองเคาะเนี่ยนอนเคหลับสบายเลยหรือนอนเอามือเคารระ ข, ข้างตัวก็นแหเจตนานรู้ที่มือกำลังกระทบเบาๆเดี๋ยวมันก็เพลินหลับ หรือเอานิ้วมือถูกันนิ้วจี้นิ้วหัวมือถูกันบ au, บ au. เบาๆเี่ยรู้ตัวอยู่ที่มือเนี่ยอันเนี้ยจิตมันจะเป็นปกติมันจะไม่คิดปรุงแต่งฟุ้งซา่านแต่ถ้าจะใช้ความคิดนะก็คิดดีคิดเป็นกุศลคนที่คิดอะไรด้วยสติเนี่ยจะเป็นกุศลจะคิดไปทางที่ดีๆในทางเกื้อกูลอันนี้พอเราคิดด้วยสติ ก็จะมีแต่การเกื้อกูลใช่ไหมจัดการฟังธรรมการปฏิบททัติธรรมจะไปในแนวนี้ทั้งนั้นเราคิดแล้วจบง่ายไม่เป็นทุกขเพราะความคิดด้วยสติแต่ถ้าความคิดที่มันปรุงแต่งมาเนี่ยมันจบยากมันขยันคิดข้ามวันข้ามคืนถ้ามีสติแล้วมันจะคิดดีคิดเป็นปัญญาคิดแก้ปัญหาเวลาปฏิบัติการแก้ปัญหาในการปฏิบัตินี่ยสำคัญมาก มันเกิดปัญหาเช่นมันเกิดความง่วงเ ก, วเกิดความคิดเกิดความขี้เกียจเกิดปวดเมื่อยทุกเวทนามีไหมเนี่ยอันเนี้ยผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆถัอว่าเป็นปัญหาแต่พอทําบ่อยๆแล้วมันจะไม่ใช่ปัญหาวิธีการแก้ไขก็คืออย่าไปขับไล่อารมณ์นี้ออกไปอย่างเช่นเวลามันคิดเรามากักจะขับไล่ไม่ให้มันคิดใช่ไหม เราฝึกแต่แก้แต่ปัญหาพยายามแก้ปัญหาแต่ไม่ได้แก้ใจให้ออกจากปัญหาเลยเราเวลามันคิดเนี่ยแม่มันคิดเนี่ยมันยิ่งคิดใหญ่เลยแต่ถ้าแก้ใจออกจากปัญหาเนี่ยมันง่ายคิด่าอ๋อเนี่ยความคิดเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่คิดคือคนตายคิดเอาใจอาจากปัญหาเนี่ยมันก็พ้นได้กลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเวลามันเกิดความง่วงเรามักจะไม่อยากให้มันง่ว ง, งเวลาปฏิบัติ ไม่อยากให้มปนง่วงเห็น ไ, ไหมเราไปขจัดปัญหาแต่เราไม่เคยเอาใจออกจากปัญหาดึงใจออกจากปัญหาเลยอย่างน้อยคนที่ไม่ง่วงนี่มันลำบากนะมันต้องกินยานะมันง่วงดีแล้วมันเป็นปกติที่มันยังง่วงอยู่เราจะทำยังไงที่เอาจิตออกจากความง่วงให้ได้อันนี้คือความสามารถของเราเทคนิคของเราที่เวลาเราทำนานๆเนี่ย เรานั่งทํานานๆยกมือนานๆหรือเดินจกกมนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยมีไหมใครไม่ปวดไม่เมื่อยมึงเรามากออักจะกําลังทํำส บ, สบายๆไม่น่าปวดไม่น่าเมื่อยเลยพยายามจะแก้ปัญหาอีกแล้วเราไม่เคยแก้ใจที่มันเป็นปัญหาเอาใจออกจากปัญหาบางทีมันง่ายกว่ากันนะดีแล้วที่มันยังเมื่อยยังปวดนะถ้าเราไม่เมื่อยไม่ปวดในหมายถึงคนพิการแบบนี้นะไม่ค่อยเมื่อยไม่ปวดเลย อันเนี้ยทำใจยอมรับกับปัญหาพอใจยอมรับแล้วเราก็ค่อยแก้ปัญหาเพื่อไม่ต้องแก้ปัญหาเลยแก้ที่ใจแล้วได้แล้วจบเลยการฝึกปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบจำลองเพื่อจะนําเอาไปใช้กับชีวิตจริงๆในแต่ละวันการฝึกจะเป็นการแก้ปัญหาตัวเรานะเวลาเราออกไปแล้วไปใช้กับชีวิตอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาเป็นเราจะได้ไม่ต้องว่าคนนู้นทําไมไม่ทําอย่างนั้นคนนี้ทําไมไม่ทําอย่างนี้ เราจะแก้แต่ข้างนอกแต่ไม่เคยแก้ใจที่เป็นปัญหาเลยถ้าเราแก้ใจที่เป็นปัญหาสักหน่อยเออเขาก็เป็นอย่างนั้นเองธรรมดาใจเราสบายเลยไม่ต้องไปแก้ไขสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำไปเพราะใจมันยอมรับซะแล้วทําไมเขาจะเป็นอย่างนั้นทําไมเขาจะเป็นอย่างนี้ทําไมวันนี้จึงร้อนทําไมวันนี้จึงหนาวไปดับดวงอาทิตย์ไปแก้งอกแก้แต่ปัญหาบางทีมันปัญหามันแก้ได้ไม่หมดนะปัญหาบางอย่างนี่มันแก้ไม่ได้ แต่ว่าใจเนี่ยแก้ไม่ให้เป็นปัญหานี่แก้ได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเน้นแก้ปัญหาใจเราอุปมาเมื่ออย่างกับมือที่เป็นแผลเนี่ยไปจับอะไรเนี่ยเชื้อโรค ก, ก็เข้าสู่แผลที่มือเราแต่ถ้ามือที่ไม่มีแผลเนี่ยไปจับเต๋อจะไม่มีเชื้อโรคเข้าใจเราที่ขาดสติขาดความเป็นปกติไปพูดคุยกับใครมันก็ไม่ปกติเมื่อใจเราเกิดความโกรธคุณเครือในจิตใจพูดอะไรไปเลยก็ไม่มีเหตุผล คนที่มีความโกรธมีความฟุ้งซ่านในจิตใจเนี่ยแก้ปัญหาไม่ดีแความโกรธทำให้ขาดเหตุผลจิตใจมันมันมวมันขุนมันมืดใจเราก็เช่นเดียวกันถ้ามันยังขุนยังไม่ใสอย่าเพิ่งทำอะไรนิ่งไปก่อนรู้ตัวไปก่อนอ๋อนี่มันขุนเลยนะอย่าเพิ่งทำอะไรน ะ, ะไม่หายก็ดูการเคลื่อนไหวให้ใจมันหายก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหา เพลิดพอแก้ปัญหาใจได้แล้วเนี่ยข้างนอกไม่ต้องแก้เลยสบายเลยจะกลายเป็นคนที่ดูโลกจะไม่เข้าไปจัดโลกคนจัดโลกเหนื่อยนะแต่คนดูโลกเนี่ยไม่เหนื่อยสบายๆมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องได้คนในโลกเนี่ยทําหน้าที่หลายอย่างบางคนดูโลกบางคนจัดโลกบางคนหนีโลกดูโลกไม่เหนื่อยจัดโลกนีเหนื่อยแต่ก็เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์แต่ว่ายังเหนื่อยอยู่หนีโลกนี่มันก็ยังเหนื่อยนะไม่กล้ารับความการปฏิบัติธรรมเป็นการแก้ที่ใจตัวเราเองเวลาเราเจอปัญหาขณะปฏิบัติเนี่ยอย่าเพิ่งไปแก้ที่ปัญหาแก้ใจที่เป็นปัญหาก่อนรักษาแผลที่ใจซะก่อนเชื่อโลกจะได้ไม่เข้านี่แหละทุกวันเนี่ยขอให้เราอยู่แบบไม่สร้างปัญหาด้วยการไม่สร้างเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์คืออะไร คือความคิดปรุงแต่งที่เราไม่เชื่อเชิญมาแล้วเราก็ไปเชื่ออันนั้นคือเหตุของความทุกข์ให้มีสติรู้ไอ้ทันไวรู้ไอทันเหตุของความทุกข์คือความคิดต่างๆแล้วก็ปล่อยวางไปถ้าจะคิดจะทําทำํำในตัวของเราเองคิดในตัวของเราเองไม่ต้องมีอะไรมากดดันอันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติผมเองทุกวันเนี้ยก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยแบบรู้ตัวอย่างเงี้ยรู้ตัวสบายๆกับชีวิตประจําวันเนี้ย แต่ก่อนนะมีความทุกข์ความเครียดมากหาทางออกไม่ได้พอมาเปลี่ยนชีวิตใหม่ใช้ธรรมะโอสถเ ย, ยียวยาบำบัดทางจิตโดยการฝึกสติอยู่เสม อ, สมอจิตมันก็อยู่ได้ในความไม่สะดวกของร่างกายจิตสบายอยู่ได้ไปกับความไม่สะดวกของร่างกายจิตสบายเลยอาศัยที่ว่าขยานันขยันฝึกสติหน่อยคนที่ไม่ขยันเจริญสติเนี่ยมันจะไม่ก้าวนะ อ้างนูน่นอ้างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเจ็บป่วยนี่อ้างไม่ได้นะผมเดินไม่ได้ยังปฏิบัติได้เลยเพราะเจ็บป่วยธรรมาดาไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาไปปฏิบัติผมเริ่มปฏิบัติที่บ้านนะนอนอยู่บนเตียงนะดับทุกอยู่บนเตียงเพรา ะ, ะนั้นขออ้างจะไม่มีคนพิการมาแล้วอย่างอื่นอ้างไม่ได้นะพิการยังปฏิบัติได้เราปกตินี้ไม่เหลือวิสัยขอที่เพียงว่าเราขยันขยันที่จะสร้างสติแล้วก็อดทนกับอุปสรรคน้อย อดทนสักหน่อยไอที่ปฏิบัติไม่นานเพราะไม่ได้ทน <c oughs> อดทนกับอุปสรรคฝ่าฟันท่ากหน่อยพอเราผ่านอุปสรรคไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ใหม่ๆ <c oughs> ผมเองเนี่ยอาศัยการดัดแปลงชีวิตไปกับการปฏิบัติธรรมดัดแปลงให้มันเหมาะกับเหตุการณ์ <c oughs> ใหม่ๆเนี่ยทำนี่ช้าไม่ถนัดนะยกมือนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนยกมือไม่ได้นะพลิกมืออย่างเงี้ย ต่อมาพระพิมายกได้ยกส4จังหวะทำได้เหมือนเข้าเหมือนกันพยายามดัดแปลงทำช้าๆมันหุดหงิดไม่ได้ยางใจต่อมาไอ้ช้าๆมันก็ดีนะมันเติมส ต, ติได้ง่ายต้องรู้จักดัดแปลงต้องแก้ไขตัวเองครูบาอาจารย์เนี่ยก็ใช้เทคนิคของท่านมาสอนเราบางทีมันไม่ตรงกับจดิตเราปัญหาเราต้องฝึกแก้ด้วยตัวของเราเองหาอุบายตัวของเราเองแล้วเราก็จะ พบกับความเป็นอิสระของจิตจิตจะส ง, งบจะสดใสจะเบิกบาน